เรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28่กุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพนห้า้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันพระวันธรรมสัวนาวันฟังธร ร, รรมเป็นวันประเสริฐ คําว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐการที่จะเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐได้ไม่ได้อยู่ที่เพศไม่ได้อยู่ที่ไวัยไม่ได้อยู่ที่สถานภาพการเงินการทองว่าร่ำรวยหรือยากจนแต่อยู่ที่ การกระทำที่เรียกว่าพฤติกรรมการกระทำนีิลาที่จะทําให้คนเราเป็นพระหรือเป็นยักษเป็นมาร<ม>ไม่ได้อยู่ที่ว่าได้นุ่งเหลืองหอมเหลืองคนศีรษะนุ่งขาวห่มขาวคนศีรษะ <Yes. S 1> หรือว่า<ม>เป็นรูปของใครน เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกของนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่ตัวพระเจ้าแผ่นดินเองนายกวัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ประเสริฐไม่ได้เป็นพระถ้าการประพฤติการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ถ้าได้ประพฤติปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วก็จะได้เป็นผู้ประเสริฐจะได้เป็นผู้ดีเลิศโลกอยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจวันนี้เป็นวันพระก็เป็นวันที่เราจะมาทำกายวาจาใจของเราให้เป็นพระนั่นเอง ให้เป็นเหมือนกับพระอรยะบุคคลขั้นต่างๆเช่นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบาเพ็ญและได้ทรงปฏิบัตมานั่นเองการที่เรา จะประเสริฐจะดีได้เราต้องมีคุณธรรมที่ทำให้เราดีการเป็นเพศเป็นหญิงเป็นชายนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เราดีหรือไม่ดีการเป็นนัก บ, บวชหรือเป็นคาราวะาไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เราดีหรือไม่ดีการกระทาของเราต่างหาก ที่เป็นเหตุให้เราดีหรือไม่ดีเป็นพระหรือเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ที่การกระทาของเราถ้าเราทำไม่ดีเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติติตประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายามาลเล่นการพนันเที่ยวกางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคราง าการกระทำเหล่านี้นะฮะที่จะทำให้เรากลายเป็นยักษ์เป็นมารไปแต่ถ้าเราไม่กระทำสิ่งเหล่านี้เช่นเราละเว้นจากการค่าจากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดประเวณีจากการพูดปดจากการเสพายามาเล่นการประนันเที่ยวกลางคืนครบคนชั่วเป็นนิตร ละความเกียดข้างได้เราก็จะเป็นคนดีได้เป็นคนเลิศเลิศเลิศโลกประเสริฐได้เป็นพระได้คำว่าพระที่แท้จริงจริงไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบอยู่ที่การ <c oughs> กรศีษะหรือไม่กรศีษะผู้ที่กรสีษะนุ่งเหนือห่มเหลืองไปตกดะล็อกก็มีมาก เช่นพระเทวทัตท่านก็ไปตกนรกเพราะท่านไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้มีนิทานในพระไตรปิฎกที่ท่านเล่ากันมาว่าที่ปากประตูทางเข้านรกนี้จะมีกองผ้าเหลืองกองปเปลื้มเท่มกองอยู่คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาไม่ทราบความหมายเขาก็เลยถามยมาบาลผู้เฝ้านรกว่า กองผ้าเหลืองนี้มาจากที่ไหนอโยมาบาลบอกว่าเป็นผ้าเหลืองของพวกที่เป็นนักบวชแต่เขาทุศีลไม่รักษาศีลเวลาเขาตายไปเวลาเขาจะไปนรกนี้เขาต้องให้ถอดผ้าเหลืองออกไปก่อนเพราะผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของผู้ประเสริฐของผู้มีศีลมีธรรม แต่ผู้ที่ไปตกนรกนี้เป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นเองจึงไม่สามารถที่จะห่มผ้าเหลืองเข้าไปในนรกได้แม้แต่ในสมัยปัจจุบันในประเทศไทยของเราเองเวลาที่พระถูกจับเข้าคุกเข้าตารางเขาก็ต้องให้เปลี่ยนผ้าก่อนเขาไม่ให้ห่มผ้าเหลือง เขาให้ลาสิกขาไปก่อนเพราะว่ามันไม่ใช่สถานภาพของพระผู้เปรฐที่จะไปอยู่ในคุกในตารางนั่นเองผู้ที่ไปอยู่ในคุกในตารางเป็นผู้ที่ไม่เปรฐเรพราะว่าไม่สามารถรักษาศีลไม่สามารถละเว้นจากการฆ่าจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี โกหกหลอกลวงได้นั่นเองเขาจึงต้องอถ้าเป็นพระเขาก็ต้องรอสิทธาไปก่อนแล้วเวลาพ้นโทษแล้วถ้ายังมีศรัทธายังอยากจะกลับมาบวชเป็นพระใหม่ถ้าไม่ได้ทำผิดศีลสีข้อใหญ่ของพระก็ยังกลับมาบวชได้ศีลสีข้อใหญ่ ที่ละเมิดแล้วจะทำให้ไม่สามารถกลับมาบวชเป็นพระใหม่ได้ก็คือ 1. การฆ่ามนุษย์ 2. การการลักทรัพย์ 3. การเสพเมถุนคือการเสพการการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นและ4การอดคนวิเศษ ที่ไม่มีในตนเช่นอวดว่าได้ทำขั้นนั้นได้ทำขั้นนี้ได้ฌานขั้นนั้นได้ฌานขั้นนี้แต่ความจริงแล้วไม่มีอะไรเลยภายในใจของตนถ้าสามารถพิสูจน์ได้ก็จะถือว่าขาดจากการเป็นพระทันทีแล้วก็จะไม่สามารถที่จะ มาบวชเป็นพระได้ในชาตินี้นี่คือเรื่องของการไม่กระทำตนเองให้ประเสริฐไม่รักษาศีลนี้เองศีลนี้เป็นหัวใจสาคัญของการเป็นคนดีของการเป็นผู้ประเสริฐถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติที่จะมาทำบุญให้ทาน แต่ถ้ารักษาศีลได้ก็จะดีกว่าคนที่ทำบุญให้ทานเป็นเหมือนเป็นแสนเป็นล้านแต่ไม่สามารถรักษาศีลได้ศีลนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่จะปกป้องไม่ให้เราต้องไปตกต่ำไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปร เป็นอสูรกายเป็นสัณรานอยู่ที่ศีลห้าข้อนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามารักษาศีลกันในวันพระอันนี้เพื่อเป็นการจุดประกายเป็นการจุดชนวนพอเรารักษาวันนี้ได้แล้วเราเห็นคุณค่าเห็นความดี ของการรักษาศีลเราก็จะมีศรัทธาที่จะรักษาให้มากขึ้นไปเราก็จะรักษาจากวันหนึ่งเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันรักษาไปเรื่อยๆจนสามารถรักษาได้ทุกวันถ้าจะขาดก็อาจจะมีบ้างบางครั้งบางเวลาที่เผลอไปบ้างแต่ก็ไม่ ไม่ย่อท้อถ้าเผลอถ้าผิดพลาดก็พยายามแก้ไขพยายามป้องกันไม่ให้ทำผิดซ้ำซากอีกไม่ใช่ว่าพอรักษาไม่ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็เลยผ่านไม่รักษาไปทั้งหมดเลยถ้าเรายังรักษาสี่ข้อได้ก็ดีกว่าไม่รักษาเลยรักษาสี่ข้อไม่ได้รักษาสามข้อได้ก็ยังดี ขอให้รักษาไปเท่าที่เรารักษาได้ไปก่อนแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มากให้ครบแล้วก็จะทำให้เราก้าวหน้าพัฒนาทำให้เราเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกได้อยู่ที่การรักษาสีนี้เป็นเบื้องต้นอยู่ที่การละเว้นการทำบาปต่างๆ ถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ได้ง่ายเราต้องมีทานเป็นผู้สนับสนุนถ้าเราทําทานใจบุญสนทานชอบช่วยเหลือผู้อชอบแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจของเราก็จะเกิดความเมตตากรุณาขึ้นมามีความปรารถนาดีมีความคิดดีต่อผู้ ก็จะทำให้เราไม่อยากที่จะคิดร้ายต่อผู้ทำร้ายผู้อื่นพอใจเราเป็นบุญเป็นศุนเป็นทานแล้วเราก็จะรักษาศีลได้านายเวลาเราจะทำอะไรเราจะคำนึงเสมอว่าการกระทําของเรานี้ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายหรือไม่นี่ก็คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เรารักษาศีลได้อย่างง่ายดายก็คือการทำทานการแบ่งปันการเสียสละการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากทาแล้วจะเกิดความเมตตาขึ้นมาเกิดความการุณาขึ้นมาพอมีความเมตตาการุณาก็จะไม่อยากจะทําบา ไม่อยากจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายก็จะรักษาศีลห้าได้อย่างสบายละเว้นจากการฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาได้อย่างง่ายดายดังนั้นถ้าเรามีความรู้สึกว่ารักษาศีลได้ยากนือเกินก็แสดงว่า เราขาดผู้สนับสนุนนั่นเองขาดกาลังเหมือนกับรถที่ขาด น, น้ำมันจึงไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้ถ้าเราอยากจะให้รถวิ่งไปไหนมาไหนได้เราก็ต้องหาน้ำมันมาเติมถ้าเราอยากจะรักษาศีลให้ได้เราก็ต้องหาน้ำมันของศีลมาเติมน้ำมันของศีลก็คือการทำทานนี่ อย่างที่พวกเราได้มากระทํากั น, นวันนี้ในเบื้องต้นเราก็มาทําทานก่อนเราเอาข้าวของต่างๆอาหารข้าวหวานมาใส่บาตรมาถวายพระเสร็จแล้วเราก็สมาทานศีลห้ากันว่าวันนี้เราจะรักษาศีลห้า<ม>เราจะรู้สึกว่าไม่ยากเย็นเลยเรื่องการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสศรายามาแล้วเราก็จะมีความสุขที่เกิดจากได้การได้ทำทานจากการได้รักษาศีลก็จะทำให้เกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นอยากที่จะทำทานมากขึ้นอยากที่จะรักษาศีลมากขึ้น ตอนต้นก็เอาแค่วันพระต่อไปก็เพิ่มเป็นวันก่อนวันพระวันพระแล้วก็วันหลังวันพระต่อไปก็ทําทุกวันถ้าไม่มีติดภารกิจอย่างอื่นก็จะมาวัดทุกวันอย่างที่ญาติโยมบางท่านที่มาวัดนี้เป็นประจําทุกวันมาถวายอาหารมารักษาศีลเพราะเขาได้รับประโยชน์ จากการทำทานจากการรักษาศีนี่เองประโยชน์ที่จะได้รับนี้ไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญแต่อยู่ที่ความสุขทางใจความอิมเอิบใจความภูมิใจความพอใจทำให้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนสามารถควบคุมความโรคความโกรธความหลงให้อยู่ในกรอบของความ ดีงามได้คือจะไม่ทําให้ความโลภความโกรธความหลือยนี้ฉุดล่ากให้เราไปทําในสิ่งที่เราจะต้องเสียใจในภายหลังนั่นเองนี่แหละคือวิธีการทําตัวเราให้เป็นผู้ประเสริฐให้เป็นพระขึ้นมาทำด้วยทําได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ เป็นคาวาสหรือเป็นนักบวชอยู่ที่การกระทาทานอยู่ที่ทอยู่ที่การรักษาสีเมี่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราวันนี้ใส่สีขาวหรือสีอะไรทั้งนั้นใส่สีขาวหรือใส่สีเหลืองแต่ไม่รักษาสีไม่ใจบุนสนทานยังมีความโลภอยากได้มากๆอยู่อย่างนี้ ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระเพียงที่เครื่องแบบที่ร่างกายแต่ไม่ได้เป็นพระที่ใจการ จ, จะเป็นพระที่ใจได้นี้ใจต้องมีทานมีศีลนี่คือเบื้องต้นของการพัฒนายกชีวิตยกตัวเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ให้เป็นผู้ประเสริฐแต่ยังไม่ได้เป็นผู้ประเสริฐที่สูงสุดถ้าอยากจะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สูงสุดก็จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญบุญกุศลขั้นที่สามและขั้นที่สี่ต่อไปขั้นที่สามก็คือขั้นสมาธิหรือที่เรียกว่าสมถภาวนา ขั้นที่สี่ก็คือขั้นปัญญาหรือที่เรียกกันว่ า, าวิปัสสนาภาวนาถ้าทาได้สองขั้นนี้ก็จะทําให้ได้ขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้ไปถึงขั้นของพระพุทธเจ้าของพออาาระอรหันต์ทั้งหลายได้แต่ถ้าเราทําเพียงขั้นทานกับขั้นศีล เราก็จะได้ขั้นของเทวดาและขั้นของมนุษย์ที่ดีนี้เองแต่ยังจะไม่สามารถขึ้นไปสู่ขั้นของพรหมขั้นของพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บำเพ็ญไม่ได้เติมน้ามันชนิดพิเศษเราเติมน้ามันชนิดธรรมดา91 ถ้าเราอยากจะไปเร็วกว่านี้ไปไกลกว่านี้เราต้องเติมน้ำมันชนิด95 mm hmm. เช่นเดียวกับใจของเราถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าขั้นของมนุษย์ของเทวดาเราก็ต้องเติมสมะถะภาวนาคือสมาธิและเติมวิปัสสนาภาวนาคือปัญญาแล้วเราก็จะได้ ขึ้นสู่ขั้นพรหมขึ้นสู่ขั้นอริยเจ้าขั้นของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ถ้าทำสมถะภาวนาได้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิเข้าฌานขั้นต่างๆได้ก็จะเข้าสู่ขั้นของพรหมแล้วถ้าจเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญา ขั้นต่างๆได้ก็จะได้เข้าสู่ขั้นของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นของพระอาหารหันต์ได้นี่คือความประเสริฐขั้นต่างๆที่เราจะก้าวขึ้นไปตามลำดับจากการปฏิบัติของเราเราต้องก้าวจากขั้นแรกก่อนคือขั้นขั้นทำทานขั้นรักษาศีล แล้วเราก็เข้าสู่ขั้นภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาตามลำดับต่อไปอย่างถ้าเรารักษาศีห์ห้าได้แล้วเราก็มาเริ่มหัดรักษาศีห์แปดกันเพราะว่าการที่เราจะบำเพ็ญสมถภาวนาการที่จะทำใจให้สงบเข้าฌานในระดับต่างๆได้ เราจาเป็นจะต้องมีเครื่องมือสนับสนุนสินห้านี้ไม่มีกำลังพอสินห้าก็เป็นเหมือนน้ำมัน91ถ้าเราต้องการให้มันลดมันวิ่งเร็วกว่านี้แรงกว่านี้เราก็ต้องเติมน้ำมัน95ถ้าเราอยากจะบำเพนะ็ญภาวนาสมถะภาวนาะทําใจให้สงบ เราก็ต้องรักษาศิลแปดกันถ้ารักษาศินแปดได้เราก็จะสามารถบําเพ็ญจิตตสมัมมาภาวนาได้ดังนั้นในวันพระถ้าเรายังไม่เคยรักษาศินแปดมาก่อนเรารักษาได้แต่ศินห้ามาตลอดทุกวันวันพระ น, นี้เราก็ต้องมาเพิ่มศินห้าให้เป็นศิลแปด สิบแต่ก็มีข้อที่เพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อแล้วก็มีข้อที่สที่ต้องเปลี่ยนจากการเมสุมิชาจารามาเป็นอบป ร, รัมมจริยาเวระนีเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดปรเวณีมาเป็นไม่เสกการไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้แต่สามีภรรยาคู่ครองของตน ก็จะละเว้นหนึ่งวันถ้าเป็นวันพระแล้วถ้าจะสมาทานรักษาศีลแปลเพียงวันเดียวก็ละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นกับคู่ครองของตนแล้วก็มาละเว้นการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารข้ามร่างกายอยู่ได้ ถ้าเราร mm ับประทานให้พอเหมือนกับการเติมน้ํามันเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยไม่ต้องมาแบ่งเติมทีละนิดทีละหน่อยน้ํามันมันก็เติมหนเดียวมันเต็มถังมันก็วิ่งได้เหมือนกับเราเติมสองสามครั้งให้มันเต็มมันก็ได้เต็มถังเหมือนกันท้องของเราก็เป็นเหมือนถังน้ำมันถ้าเรากินอาหารให้เต็มท้องแล้วมันก็อยู่ได้จนถึงวันรุ่งขึ้น ไม่เดือดร้อนอะไรการที่เราไม่รับประทานอาหารนี้ก็เพื่อที่จะได้ตัดอุปสรรคที่จะมาคอยกีดขวางการมาทำใจให้สงบนั่นเองอุปสรรคก็คือความหิวความอยากกินคือไม่ได้กินเพื่อร่างกายกินเพื่อความอยากทั้งๆ ท, ที่ร่างกายนี้มีอาหารมากจนเกินไปแล้ว แต่ใจก็ยังหิวยังอยากอยู่อันนี้ถ้ามีความอยากก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิได้เพราะใจจะคิดแต่เรื่องอาหารเรื่องกินเรื่องดื่มอยู่อย่างเดียวแต่พอเรามารักษาศีลแปดได้เราก็จะป้องกันไม่ให้ความอยากมันมาผัดดันให้เราไปเสียเวลากับการ กินกับการดื่มได้เราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบนั่นเองนอกจากการไม่รับประทานอาหารเย็นแล้วเราก็ต้องละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกทิ้นกายเช่นการดูการฟังพวกมอหอลสุขพวกบันเทิงต่างๆ เราก็ต้องละเว้นต้องหยุดหยุดดูหนังดูละคอยหยุดร้องลำทำเพลงหยุดการออกไปเที่ยวแต่ตามสถานบันเทิงต่างๆให้อยู่ในวัดหรืออยู่ในบ้านเพื่อที่เราจะได้มานั่งสมาธิมาเจริญสมถะภาวนากันนั่นเองและเราก็ต้องละเว้นจากการ แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทางปากด้วยเครื่องสำอางน้ำหอมน้ำมันต่างๆด้วยเสื้อผ้าอาพรวิจิตพิสดารด้วยการทำผมผ้าให้มันดูวิเศษผิดปกติไปเพราะว่ามันจะเสียเวลาจะไม่ได้มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบกันนั่นเอง นี่คือข้อวัลลัเว้นที่เราต้องทำอีกข้อหนึ่งที่เราต้องพยายามละเว้นให้ได้ก็คือการหลับนอนมากจนเกินไปขอให้เราหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายถ้าเราหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายล้วก็หลับเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้าเรานอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหน า, หนา เวลาตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายแต่ถ้าเราอยากจะให้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาเราก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆเช่น น, นอนบนพื้นไมพน้พื้นปูนอย่างนี้ถ้ามันเย็นเกินไปก็หาผ้าหนาๆมาปูกันความเย็นไว้เพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย แต่ไม่ได้ปูไว้เพื่อให้มันนุ่มให้มันสบายเพื่อจะได้นอนยาวๆนานๆถ้าเรานอนนฟูกเหนาๆ น, น, นี่แทนที่เราจะนอนเพียงสี่ห้าชั่วโมงเราอาจจะนอนถึง8ปดเก้าชั่วโมงเวลาที่เราจะได้เอามาจเจริญสมถาะภาวานาก็จะหมดไปกับการรับประทานกับการดูการฟังพวกมหโระศกกับการแต่งเนื้อแต่งตัว แต่หน้าทาปากทำเเผ้วทำผมกับการหลับนอนอันนี้คือหน้าที่ของศีลแปศีลแปนี้จะมาคอยปกป้องไม่ให้เราต้องมาเสียเวลากับสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้เราไปประเสริฐไม่ได้ทำให้เราเจริญดีเลิศโลกแต่อย่างใด ให้เรามาทำสิ่งที่จะทำให้เราประสฐเรจเริญเลิศโลกจะดีกว่าก็คือให้เรามานั่งสมาธิให้เรามาเจริญสมัมมาทพาวนาการจะเจริญสมัมมาทัวนาได้เราก็ต้องอยู่คนเดียวอย่าไปยุ่งกับใครเพราะเวลายุ่งกับคนนั้นคนนี้ใจเราจะแตกใจเราจะฟุ้งซ่านจะคูดคุยกัน แล้วก็จะคิดมากคิดจนกระทั่งเวลาจะมานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะาหยุดคิดไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครได้แล้วเรามีสติคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้พุทโธคอยเดินมาไว้คอยหยุดไว้ท่องพุทโธพุทโธไป แล้วใจจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ใจก็จะว่างจะสงบเวลามานั่งสมาธิใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่นะพอใจเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็จะพบกับความประเสริฐความอัศจรรย์ใจที่มีอยู่ภายในตัวเราคือได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ ที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขชนิดนี้ตาดกับความสุขต่างๆที่เราเคยได้กันเพราะความสุขชนิดนี้ทำให้เราอิ่มทำให้เราพอทำให้เราปล่อยวางวางเฉยเป็นอุเบกขาได้ไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางลาภยศสรรเสริญที่เวลาเราได้มาแล้ว กับทําให้เราเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากรวยมากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้ความสุขนี้เป็นความสุขที่จะมาทำลายเราในที่สุดเพราะเมื่อเราต้องการมากมากเราก็จะหวงเราจะทำทานไม่ได้แล้วเราก็จะรักษาศีลไม่ได้แล้วเรารักษาศีลไม่ได้เราก็จะต้องเสื่อมลงไป จากมนุษย์ก็ไปเป็นเดลอาฉานบ้างเป็นเปรยบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสับนาวค์บ้างนี่แหละเป็นความสุขที่อันตรายเป็นความสุขที่จะทำให้เราต้องติดพันยอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับการทำบาปทำกรรมแต่ความสุขที่เราได้รับจากการทำใจให้สงบนี้มันจะทำให้เราอิ่มทำให้เราพอ จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีทรัพย์สมบัติเข้าของมากเกินไปจะทำให้เราอยากจะทำทานแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เรามีความเมตตากรุณาไม่อยากจะทำบาป ท, ทำกรรมกับใครนี่แหละจะทำให้เรามีเมตตากรุณาโมริตาอุเบกขาเป็นคุณธรรมของพรหมนี้เองผู้ใด มีฌานมีสมาธิแล้วก็จะมีความเมตตากรุณามมฎิต า, า, ตาอุเบกขาเพราะใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอไม่ต้องการอะไรนั่นเองพอไม่ต้องการอะไรพอไม่มีความโลภความอยากความหลงมันก็จะมีความเมตตากรุณามมติต า, า, ตาอุเบกขาขึ้นมาเองเพราะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ติดมากับความสงบของใจ ไม่ต้องไปสวดสัพเพสัตตาเวราโหรตุสวดไปมันก็ไม่เกิดเพราะว่ามันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราทำใจให้สงบนี้แต่ที่เราสวด น, นี้ก็เป็นเพียงการเตือนใจบังคับใจให้มีความเมตตาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นความเมตตาแบบธรรมชาติแต่อย่างน้อยก็ดีบังคับให้มันเมตตา ดีกว่าปล่อยให้มันเป็นคนโหดวายทารุณตอนต้นเราก็ต้องบังคับมันก่อนแต่ถ้าอยากจะให้มีความเมตตาอย่างแท้จริงเราต้องเจริญส ม, มะถะภาวนาทำใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าใจสงบแล้วมันก็จะเป็นผมขึ้นมาเป็นมีมูติมีเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขขึ้นมา แล้วถ้าเราอยากจะรักษาคุณสมบัติอันวิเศษนี้เวลาเราออกจากสมาธิออกจากฌานมาแล้วเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะยับยั้งตัวที่จะมาทำลายเมตตากรุณามุริตาอุเบกขานี้ไปนั่นเองตัวที่จะมาทำลายก็คือตัวตัณหาความอยากพอเราออกจากสมาธิมาแล้ว ถ้าเราไม่มีวิปัสสนาคอยคุมพอเราเผลอเราเห็นนั่นเห็นนี่เราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเรามีวิปัสสนามีปัญญาคอยคุมเราก็จะบอกว่าอยาไปอยากอยากแล้วเราจะตกต่ำจากพรมเราก็จะตกลงมาเป็นเป็นเทศเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานต่อไปเพราะถ้าเรามีความอยากแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำบาปทำกรรมนั่นเอง จะต้องไปวุ่นวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาพอใจวุ่นวายแล้วใจก็จะเสื่อมลงมา ท, าทันทีนี่คือการสร้างตนเองให้ประเสริฐตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้สร้างกันก็คือเราต้องทาตานต้องรักษาสีต้องเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาตามลำดับตามกำลังของเรา ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เป็นพระด้านี้เองอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การบวชอยู่ที่การห่มผ้าสีน้ำสีนี้หรือโกนเผ้าโกนผมแต่อยู่ที่การบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประเสริฐ อยากจะเป็นผู้ที่มีความสุขมีความเจริญอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเราก็ต้องทำวันพระนี้ตามที่พระเจ้าได้สอนให้กระทากันก็คือเรามารับสาสีมาทำทานมาภาวนากันนั้นเองแล้วผลมันจะตามมาเองขอให้เราสร้างเหตุเท่านั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องผล เหมือนกับปลูกต้นไม้ไม่ต้องไปกังวลถึงผลละไม้ที่จะออกมาให้กังวลว่าเราคอยอเราปลูกต้นไม้หรือเปล่าปลูกแล้วเราคอยลดน้ำพรวนดินหรือเปล่าคอยใส่ปุ๋ยคอยป้องกันไม่ให้วัชพืชไม่ให้มแมลงมาทำลายต้นไม้หรือเปล่าเท่านั้นเองหน้าที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วผลละไม้ถึงเวลามันจะออกมาเองหน้าที่ของเราที่จะทาให้เราเป็นผู้เกษตร เป็นพระ อ, อริยปุกคลต่างๆก็อยู่ตรงที่เราสร้างเหตุนี้เท่านั้นเองอยู่ที่ทำทานรักษาศีละับภาวนานี้เท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่อย่าหลงประเด็นแล้วเราจะหลงทางแล้วเราจะไม่ได้รับผลตามที่เราอยากจะได้กันการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศีะรัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจรานแค้วกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากาันเทอ